บทที่7จินตนาการแหล่งสร้างความคิดขั้นตอนที่หสู่ความร่ำรวยจินตนาการเป็นแหล่งสร้างแผนการทุกอย่างที่เราสร้างสรรค์ขึ้นด้วยการสนับสนุนจากจินตนาการแห่งความคิดจะทำให้พลังความคิดและปณิธานแปรเปลี่ยนแล้วเกิดผลในทางปฏิบัติตามมาอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เราสามารถสร้างทุกอย่างได้ตามจินตนาการของเรา ในช่วงเวลาห0ิปีที่ผ่านมาจินตนาการได้ช่วยทำให้เราค้นพบพลังแห่งธรรมชาติและนามันไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติถึงแม้ว่าเราประสบความสำเร็จค่อนข้างมากแล้วแต่ขณะนี้มนุษย์ยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดของพลังแห่งจินตนาการข้อจากัดของเราก็คือ การที่จะพัฒนาและนำจินตนาการไปใช้จินตนาการของมนุษย์ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้แม้เราจะรู้ว่าตัวเองมีจินตนาการแต่จริงๆแล้วเราเพิ่งจะเริ่มใช้มันเท่านั้นเองจินตนาการสองแบบจินตนาการทำหน้าที่สองอย่างอย่างแรกเรียกว่าจินตนาการสังเคราะห์ s y n h e t i c imagination) และอีกอย่างคือจินตนาการสร้างสารรค์ creative imagination บทวิจารณ์โดยทั่วไปแล้วคำว่าสังเคราะห์ให้ความหมายเชิงลบหมายถึงสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ใช่ของแท้จริงในปัจจุบันคำว่าสังเคราะห์ยังหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากส่วนต่างๆมาประกอบกันซึ่งตรงกับความหมายที่ฮิวต้องการใช้มากกว่าจบบทวิจารณ์จินตนาการสังเคราะห์ เป็นการรวบรวมเอาแนวคิดและไอเดียเก่าๆมาผสมผสานกับแผนการเท่านั้นจินตนาการสังเคราะห์ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเลยมันจะทำงานกับประสบการณ์การศึกษาและการสังเกตเท่านั้นอย่างไรก็ตามนักประดิษฐ์ส่วนใหญ่มักจะใช้จินตนาการแบบนี้เว้นแต่อัจฉริยะบุคคลเท่านั้นที่สามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์ได้ ในขณะที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยจินตนาการสังเคราะห์จินตนาการสร้างสรรค์จินตนาการสร้างสรรค์จะทำให้จิตใจของมนุษย์ที่มีความจำกัดสามารถสื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้เราได้ความสามารถนี้ผ่านรูปแบบของความสังหอนใจและแรงบันดาลใจโดยความสามารถนี้เองทำให้จิตใจเรามีไอเดียพื้นฐานหรือไอเดียใหม่เกิดขึ้น ความสามารถนี้ยังทำให้เราสามารถรับคลื่นความคิดจากผู้อื่นโดวยวิธีนี้ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งสามารถปรับเข้าหาหรือสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของผู้อื่นได้ดังจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไปจินตนาการสร้างสรรค์ทางานแบบอัตโนมัติเพียงแต่คุณต้องสร้างแรงจูงใจให้กับจิตสำนึกให้พลังและกระตุ้นให้มันทางาน มันจะไวต่อการรับรู้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตสำนึกถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์แห่งปณิธานอันแรงกล้าผู้นำธุรกิจนักอุตสาหกรรมนักการเงินผู้ยิ่งใหญ่รวมไปถึงศิลปินนักดนตรีกวีนักเขียนสร้างความยิ่งใหญ่ได้เพราะเขาได้พัฒนาความสามารถแห่งความคิดสร้างสรรค์บทวิจารณ์ โปรดสังเกตว่าจินตนาการทั้งสองประเภทนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับเราทั้งสิ้นมันจะทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นจนบอกได้ยากว่าจินตนาการแบบไหนกำลังทำงานอยู่เมื่อตอนที่เจฟส์เบซสร้าง a เม z o n com ขึ้นมานั้นเขาได้ใช้จินตนาการสังเคราะห์หรือจินตนาการสร้างสรรค์ขณะนั้นคนส่วนใหญ่มีความคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตว่าเป็นเพียงช่องทางการขาย ซึ่งสรุปได้ว่าเขาได้ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้และการสังเกตนั่นคือเขากำลังใช้จินตนาการสังเคราะห์แต่อะไรทําให้เขาตัดสินใจขายหนังสือมันเป็นการสังเคราะห์หรือสร้างสรรค์ความคิดนั้นออกมาจากจิตใต้สำนึกที่รู้สึกว่าหนังสือเป็นสิ่งที่ใช่แล้วเรื่องของชื่อละ่ะการตั้งชื่อร้านขายหนังสือว่าอเมซอนดูแปลกสําหรับคนอื่น แต่สำหรับเบซอสไม่เนื่องจากเขาคิดว่ามันต้องดึงความสนใจของสาธารณชนแน่นอนชื่อนั้นสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจการค้าด้วยหรือแล้วมันเป็นการสังเคราะห์หรือสร้างสรรค์แล้วอีเบลล์อเมซอนได้แสดงให้คุณเห็นแล้วว่าเราสามารถขายของในอินเทอร์เนต็ตได้อย่างหลากหลายเมื่อปีแอโอมิดยาได้ไอเดียในการขายของทางอินเทอร์เนต็ตแบบใหม่ ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประมูลบ้านส่วนนี้เป็นการสังเคราะห์หรือสร้างสรรค์คำตอบนั้นไม่มีความสำคัญอะไรเลยไม่ว่าคุณจะตั้งใจนำแผนการมาประกอบกันในจิตสำนึกหรือแผนการต่างๆผสมผสานกันในระดับจิตใต้สำนึกแล้วเกิดแว็บเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการที่คุณกำลังปล่อยให้จินตนาการทำงาน และยิ่งคุณใช้มันมากขึ้นเท่าใดทั้งการสังเคราะห์และสร้างสารรค์ก็จะยิ่งทำงานให้คุณได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นจบบทวิจารณ์ปณนิธานคือความคิดประเภทหนึ่งเป็นพลังความคิดที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นนามธรรมาบางครั้งก็ดูเหมือนไร้ค่าจนกว่ามันจะแปลเปลี่ยนไปสู่ความจริงที่จับต้องได้ขณะที่จินตนาการสังเคราะห์เป็นสิ่งที่ถูกใช้บ่อยที่สุด ในการแปลเปลี่ยนปณิธานเป็นเงินทองแต่ก็มีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้จินตนาการสร้างสรรค์เช่นกันทั้งจินตนาการสังเคราะห์และจินตนาการสร้างสรรค์ต้องพร้อมที่จะใช้งานหากไม่ค่อยได้ใช้งานความสามารถในการจินตนาการของคุณจะอ่อนแอเหมือนกล้ามเนื้อหรือบางอวัยวะของร่างกายที่จะพัฒนาขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ใช้งานมันบ่อย จงใช้จินตนาการสังเคราะห์ของคุณขั้นแรกเราลองมาทำความเข้าใจกับพัฒนาการของจินตนาการสังเคราะห์กันก่อนมันเป็นความสามารถที่คุณต้องใช้บ่อยๆในการแปลเปลี่ยนปณิธานเป็นเงินทองการแปลเปลี่ยนพลังแห่งปณิธานที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นเงินทองที่จับต้องได้ต้องอาศัยการวางแผนในการวางแผนคุณจะต้องใช้จินตนาการ ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องใช้จินตนาการสังเคราะห์โดยดึงประสบการณ์การศึกษาและการสังเกตของคุณมาใช้บทวิจารณ์เนื้อหาต่อไปนี้ปรับมาจากงานเขียนในหนังสือ Napoleon Hill's Keys to Success ของ Napoleon Hill ตัวอย่างที่ดีที่สุดของจินตนาการสังเคราะห์คืองานประดิษฐ์หลอดไฟของเอ i s ดิสันเขาเริ่มต้น จากความรู้ที่ทุกคนมีว่าเราสามารถใช้กระแสไฟฟ้าทำให้ขดลวดร้อนจนเกิดแสงสว่างได้แต่ปัญหาคือความร้อนที่มากเกินไปจะเผาไหม้ขดลวดอย่างรวดเร็วโดยให้แสงสว่างได้ไม่กี่นาทีในความพยายามที่จะควบคุมความร้อนนี้เอดิสันต้องผิดพลาดมากกว่าหมื่นครั้งเมื่อเขาค้นพบวิธีการมันจึงเป็นการประยุกต์ความรู้ เขารู้ว่าถ่านสร้างขึ้นมาจากการเอาไม้มาจุดไฟเผาแล้วห่อหุ้มด้วยดินแล้วรอจนไฟมอดลงแต่ยังคุ ก, กรุน่นดินจะทำให้มีอากาศเล็กน้อยพอที่จะทำให้ไฟยังคงกลุ่นอยู่โดยไม่มีเปลวไฟเป็นวิธีการที่ทำให้ไม้ไม่ถูกเปลวไฟไหม้จนหมดเมื่อเอดิสันตระหนักในความจริงนี้จินตนาการของเขาก็เชื่อมโยง ม, มัน เขากับไอเดียที่จะทำให้ขดลวดร้อนขึ้นเขานำขดลวดเข้าไปไว้ในขวดสุญญากาศและนั่นเป็นที่มาของการสร้างหลอดไฟฟ้าครั้งแรกที่ให้ความสว่างได้นาน8ชั่วโมงครึง่งทุกสิ่งที่เอดิสันใช้ในการสร้างหลอดไฟคนทั่วไปก็รู้ดีแต่วิธีที่เขาสั่งเคราะห์ความรู้ได้เปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิงและยังได้ทาให้เขากลายเป็นคนร่ารวยอีกด้วย W c l e บิลยูทร n แเรียกกระบวนการนี้ว่า R2A2 คือจดจำเชื่อมโยงซึมซับและประยุกต์ Re คอร์นไนซ์แอนด์รี a ลตแ s i ซิมิ a ลต a อนด p แอถ้าคุณทำได้เช่นนี้กับทุกสิ่งที่คุณเห็นได้ยินได้คิดและได้ประสบจะทำให้มีมุมมองใหม่ๆกับสิ่งที่คุ้นเคย การที่คุณได้ทําเช่นนี้จะทําให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งซึ่งคนทั่วๆไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในตอนต่อไปของบทนี้คุณจะได้อ่านเรื่องราวแห่งความมั่งคั่งที่ได้มาจากความคิดสังเคราะห์และเรื่องราวนี้จะนำคุณไปสู่ข้อสรุปว่าการรวบรวมไอเดียต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่มาจากความคิดของคุณเองและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ความคิดด้วยตัวคุณเอง แม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะสร้างแรงจูงใจให้คุณแต่คุณก็อาจจะกังวลว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหากแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะเริ่มแผนการนโปเลียนฮิลได้เตือนผู้อา่านหนังสือคิดแล้วรวยเล่มนี้ว่าต้องอ่านวิธีการทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือนำหลักการไปปฏิบัติมีไอเดียอื่นๆจากบทต่อไป ที่จะช่วยชักนำจินตนาการของคุณและจะมีผลต่อแผนการของคุณจบบทวิจารณ์จงอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบทั้งเล่มแล้วกลับมาที่บทนี้อีกครั้งแล้วเริ่มให้จินตนาการของคุณทำงานเพื่อสร้างแผนการเปลี่ยนปณิธานเป็นเงินทอง ท, ทุกบทจะช่วยสันสร้างแผนการให้คุณจงทำตามคำแนะนำที่ตรงกับความปรารถนาของคุณ และเขียนแผนการของคุณออกมาเมื่อคุณทำขั้นตอนนี้เสร็จคุณจะได้รูปแบบที่พร้อมจะไปสู่ปณิธานที่คุณตั้งไว้ให้อ่านข้อความนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดวยวิธีการที่ต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยตอนนี้ฉันได้เขียนแผนการออกมาแล้วฉันกำลังจะทำให้ปณิธานที่ตั้งไว้เป็นจริงจงอ่านออกมาดังๆแล้วตรหนักรู้ในสิ่งซึ่งคุณบอกกับตัวเอง ปณิธานเป็นความคิดประเภทหนึ่งจินตนาการสังเคราะห์ที่มาจากประสบการณ์การศึกษาและการสังเกตจะทําให้มันเปลี่ยนรูปแบบและเริ่มทํางานขณะที่คุณทําตามคําแนะนําโดยเขียนปณิธานและแผนการนั่นหมายความว่าคุณได้เริ่มก้าวแรกในการเปลี่ยนความคิดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วบทวิจารณ์ จินตนาการสังเคราะห์มีบทบาทในทุกๆส่วนของแผนธุรกิจความจริงแล้วบริษัทส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมาเริ่มต้นจากจินตนาการสังเคราะห์ก่อนเมื่อผู้ประกอบการดึงเอาความรู้ประสบการณ์และการสังเกตออกมาก็จะเกิดไอเดียแล้วจึงนาไปประยุกต์ใช้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูธเฮเลอร์เธอและสามีกับหุ้นส่วนธุรกิจได้เริ่มต้นอุตสาหกรรมเล็กๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตของเล่นความสำเร็จขึ้นอยู่กับการที่จะคิดของเล่นใหม่ๆออกมาเมื่อเธอได้สังเกตเห็นว่าลูกสาวหลงไหลหนังสือรูปภาพวัยรุ่นและสาวสวยโดยนำมาตัดเป็นตุ๊กตากระดาษแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าได้เธอเองก็รู้ว่าเด็กผู้หญิงชอบเล่นแต่งตัวแต่งชุดเสื้อผ้าไอเดียนี้ดึงออกมาจากความรู้ ประสบการณ์และการสังเกตแล้วสังเคราะห์ขึ้นในจินตนาการของเธอแล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นไอเดียใหม่รูธเฮลเลอร์ประกาศว่าเธอจะสร้างตุ๊กตาที่เป็นสาววัยรุ่นที่ไม่ใช่เป็นกระดาษแต่เหมือนจริงเป็นรูปแบบของสาวสวยที่เป็นสามมิติและสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดสวยๆให้ตุ๊กตาได้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สร้างแรงบันดาลใจรูเฮลเลอร์ จึงตั้งชื่อตุ๊กตาตัวใหม่นี้ว่าบาร์บี้ตามชื่อลูกสาวของเธอนั่นเองไม่มีใครมีจินตนาการที่จะผลิตและขายตุ๊กตาในแบบที่เธอทำมาก่อนและแน่นอนไม่มีใครทําชุดเสื้อผ้าให้ตุ๊กตาได้อย่างไม่รู้จบเช่นนี้มาก่อนเลยก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงเจฟฟเบซอสผู้สร้างอเมซอนด้วยการรวมความคิดร้านขายหนังสือเข้ากับอินเทอร์เน็ตปีแอร์โอมิดยา ที่ทำสิ่งที่คล้ายกันโดยการประมูลทางอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นอีเบย์มารีเคอสได้ความคิดในการให้ผู้หญิงทำธุรกิจด้วยตัวเองและคิดวิธีการขายโดยเคาะประตูบ้านอานิต้ารอดดิคเริ่มการนำส่วนผสมจากธรรมชาติมาผลิตเครื่องสำอางและสร้างอาณาจักรบอ d y h o p อปขึ้นมาบอร์นามาคสและอาเธลได้ไอเดียการนำซูปเปอร์มาร์เก็ต รวมกับอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านจนกลายเป็นโฮมดีโปโทมัสแตมเบิร์กและลีโอคารทำสิ่งเดียวกันนี้กับอุปกรณ์สำนักงานแล้วกลายเป็นสเตเปิลเมื่อไรก็ตามที่เกิดการเชื่อมโยงขึ้นสิ่งต่างๆจะชัดเจนขึ้นถ้าสร้างการเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นได้มันก็จะสร้างความสำเร็จให้เรานโปเลียนฮิลกล่าวว่า จินตนาการเป็นดั่งกล้ามเนื้อที่จะแข็งแรงขึ้นถ้าเราใช้งานมันถ้ามีการออกกำลังกายเพื่อสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อได้ก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่จะพัฒนาและสร้างจินตนาการของเราและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเมื่อเราพัฒนาความคิดสร้างสรรในด้านหนึ่งก็จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรในด้านอื่นๆด้วย ดรเอ็ดเวิร์ดเดอโบโนหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องนี้ได้เขียนหนังสือมากกว่า25เล่มซึ่งรวมไปถึงหนังสือ Lateral Thinking และ Six th Thinking Hats ซึ่งช่วยคุณได้ฝึกคิดหนังสือขายดีชื่อ Drawing on the Right Side of the Brain ของดรแบตตี้เอ็ดเวิร์ดได้ใช้เทคนิคการวาดรูปเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หนังสือขายดีชื่อ Rising the Natural Way ของดร g ราเบียลริโกใช้เทคนิคที่เรียกว่าการจัดกลุ่มเพื่อแก้บล็อกที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นและโทนี่บูซานใช้วิธีการเดียวกันนี้เพื่อเปิดกว้างจิตใจของเราด้วยแผนที่ความคิด Mind Mapping Super Learning เป็นหนังสือขายดีอีกเล่มหนึ่งของชีราอ s t r a n เด r และล n s c h r เดอร์ แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากดนตรีคลาสสิกและโรเจอร์วอนโอ๊คแนะนำการเล่นเกมปริศนาเป็นตัวกระตุ้นในหนังสืออวากรอนเดอะไซด์ออฟเดอะเฮดดึงจินตนาการสร้างสรรค์ออกมาโลกที่คุณอาศัยอยู่นี้ตัวคุณเองและสิ่งต่างๆรอบตัวล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากวิวัฒนาการด้วยการเปลี่ยนแปลงตามลาดับขั้นทีละเล็กทีละน้อยวงการวิทยาศาสตร์สามารถกาหนดว่า ทุกๆสิ่งในจักรวาลประกอบด้วยสี่สิ่งนี้เท่านั้นคือเวลาอวกาศ ส, สารและพลังงานข้อความต่อไปนี้มีความสำคัญมากคือโลกใบนี้และร่างกายของมนุษย์ทุกคนที่ประกอบด้วยเซลล์นับพันล้านเซลล์รวมไปถึงทุกอนูของ ส, สารที่เล็กกว่าอะตอมล้วนเริ่มต้นมาจากรูปแบบของพลังงานซึ่งจับต้องไม่ได้ มีการรวมตัวกันของพลังงานและสาสารจึงเกิดมีทุกๆสิ่งที่เราจับต้องได้ตั้งแต่ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในอวกาศไปจนถึงตัวมนุษย์เราเองปณิธานเป็นพลังความคิดพลังความคิดก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานเมื่อคุณเริ่มใช้พลังความคิดแห่งปณิธานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองคุณกำลังทำเช่นเดียวกับที่ธรรมชาติสรรสร้างสรรพสิ่งบนโลก และเช่นเดียวกับทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในจักรวาลนี้รวมไปถึงร่างกายและสมองของคุณซึ่งเป็นแหล่งของพลังงานความคิดบทวิจารณ์ถึงแม้ว่าวิชาควอนตัมฟิสิกส์จะพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสสารและพลังงานไปมากแต่คำอธิบายของฮิลยังคงเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทฤษฎีใหม่ๆล้วนขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานที่ว่า สรรพสิ่งในจักรวาลจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือเวลาอาวกาศสาสารหรือพลังงานดังที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่าพลังงานและสาสาร์คือสิ่งเดียวกันเพียงต่างกันที่รูปแบบเท่านั้นดังที่ฮิวพูดว่าทุกสรรพสิ่งตั้งแต่ดวงดาวระบบสุริยะจักรวาลโลกตัวคุณเองสมองของคุณรวมไปถึงความคิดที่แวบขึ้นมา ทุกสิ่งล้วนเป็นแก่นสารเดียวกันเหมือนกับผ้าปูโต๊ะที่ถูกคลี่ออกย่อมมีส่วนของพื้นผิวที่โคง้งนูนพื้นผิวอาจดูแตกต่างกันแต่มันยังคงเป็นเนื้อผ้าเหมือนกันเช่นเดียวกับส่วนโคง้งเว้าวบนผ้าปูโต๊ะพลังงานและสะสารเป็นสิ่งเดียวกันแต่รูปแบบต่างกันดังนั้นตัวคุณสสารความคิดของคุณพลังงาน และร่างกายของผู้อื่นสะสารความคิดของผู้อื่นพลังงานและทุกสรร พ, พสิ่งสะสารแม้ไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่เนื้อแท้แล้วเป็นสิ่งเดียวกันฮิวเรียกสัมพันธภาพที่ทุกสรร พ, พสิ่งมีซึ่งกันและกันนี้ว่าอัจิริยาภาพแห่งจักรวาลในบทของศรัทธาเราได้ระบุถึงอัจิริยาภาพแห่งจักรวาลเป็นครั้งแรก ว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดของความรู้สึกการสั่งหอนใจการอยางรู้และแรงบันดาลใจในบทของการเสนอแนะตัวเองเขาเสนอว่าจิตใต้สำนึกเป็นตัวเชื่อมต่อกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลในบทนี้ฮิลอธิบายว่าจินตนาการสร้างสารรค์เป็นตัวรับการอยางรู้จากอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลในบางสถานการณ์ซึ่งจิตใจของคุณกาลังทางาน จินตนาการสร้างสรรค์ของคุณจะไม่เปิดรับเฉพาะไอเดียเท่านั้นแต่จะรับการอย่างรู้อีกด้วยคุณจะได้รับความสังหรณ์ใจหรือความรู้สึกล่วงหน้าเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือเกี่ยวกับบางคนการอย่างรู้นั้นไม่ได้มาจากทั้งจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกของคุณเพราะทั้งสองส่วนนี้ต่างก็ไม่มีข้อมูลเนื่องจากทุกๆสิ่งเป็นอนุส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งทั้งหลาย จินตนาการสร้างสารรค์พลังงานของคุณจะดึงความคิดพลังงานจากแหล่งของอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลพลังงานเข้ามาไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณรวมไปถึงจิตใต้สำนึกของผู้อื่นด้วยอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเป็นแนวคิดที่สลับซับซ้อนสาหรับผู้อ่านที่คิดว่าตัวเองยังสงสัยไม่เข้าใจโปรดมั่นใจว่าฮิวจะได้ขยายความในบทต่อๆไป ผู้เขียนแนะนำให้ท่านผู้อ่านเก็บความสงสัยไว้ก่อนแล้วให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของฮิลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจบบทวิจารณ์มีกฎทางฟิสิกส์และทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สามารถช่วยคุณในการเปลี่ยนปณิธานให้เกิดผลหรือให้กลายเป็นเงินทองแต่ก่อนอื่นคุณต้องให้เวลากับตัวเองในการสร้างความคุ้นเคยและเรียนรู้กฎนี้ก่อน ผมหวังจะเปิดเผยเคล็ดลับเพื่อนำคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยการกระตุ้นเตือนซ้ำๆและอธิบายหลักการเหล่านี้ในทุกแงม่มุมน่าแปลกที่เคล็ดลับนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยที่จริงมันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับโลกไม่ว่าจะเป็นดวงดาวสาสารต่างๆรอบตัวเราใบไม้ใบหญ้าหรือทุกรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่คุณพบเห็น อย่าเพิ่งท้อแท้หากคุณไม่สามารถเข้าใจทฤษฎีนี้ได้หมดผมไม่ได้คาดหวังให้คุณอ่านบทนี้ครั้งแรกแล้วจะสามารถยอมรับทฤษฎีนี้ได้ทั้งหมดในครั้งแรกขอให้คุณซึมซับมันไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อคุณอ่านต่อไปและเรียนรู้ซ้ําอีกคุณจะค้นพบว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นและทําให้เข้าใจหลักการได้ทั้งหมดเนื้อสิ่งอื่นใดอย่าหยุด หรือหลังเลที่จะเรียนรู้หลักการเหล่านี้จนกว่าคุณจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยสามรอบแล้วคุณจะไม่ต้องการหยุดวิธีการที่จะฝึกใช้จินตนาการไอเดียเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวยไอเดียเป็นผลิตผลของจินตนาการต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอเดียที่ได้สร้างความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่สองเรื่องผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะแสดงให้เห็นว่า จินตนาการมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จและพวกเขาจะสาธิตวิธีการที่จะใช้จิตใต้สำนึกเพื่อสร้างความร่ำรวยหม้อมหัศจรรย์ในปลายปีคิศสกราช1880หมอบ้า น, นอกไวยชราคนหนึ่งได้ขี่ม้าเข้าไปในเมืองแล้วเร่งรีบเข้าไปประตูหลังของร้านขายยาเพื่อต่อรองอะไรบางอย่างกับชายหนุ่มซึ่งเป็นคนขายยา หมอชราใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงพูดคุยกับคนขายหลังเคาน์เตอร์แล้วเขาก็ออกจากร้านไปและกลับมาพร้อมกับหม้อรุ่นโบราณใบใหญ่มีไมพายอันใหญ่สำหรับกวาดเอาสิ่งที่บรรจุไว้ออกจากหม้อเขาฝากมันไว้ด้านหลังร้านคนขายตรวจตรามออีกครั้งแล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเงินม้วนหนึ่งออกมาแล้วยื่นส่งให้หมอผู้นั้น เงินก้อนนั้นเป็นจํานวนราวห้าร้อยดอลลาร์มันคือเงินออมทั้งหมดที่เขาสะสมไว้หมอยื่นแผ่นกระดาษเล็กๆที่เขียนสูตรลับเอาไว้ข้อความในเศษกระดาษนั้นมีค่ามหาศาลแต่ไม่ใช่สําหรับหมอคนนั้นข้อความนั้นจําเป็นสําหรับการเริ่มต้นใช้หม้อต้มใบนั้นทั้งหมอชราและคนขายยาหนุ่มน้อยต่างก็ไม่รู้ว่าความมังคังร่ํารวยมหาศาลกําลังจะหลั่งไหล ออกมาจากหม้อใบนั้นหมอชราดีใจที่สามารถขายของใช้ได้ราคาถึง500ดอลลาร์คนขายยาได้ใช้เงินที่เก็บรวบรวมมาเกือบตลอดชีวิตเพียงเพื่อจะซื้อเศษกระดาษและหม้อเก่าๆใบหนึ่งเขาไม่เคยคิดฝันว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของหม้อใบหนึ่งซึ่งจะให้สินทรัพย์เป็นทองคาเหมือนกับตะเกียงของอลาดิน สิ่งที่คนขายยาจ่ายไปก็คือไอเดียนั่นเองหม้อเก่าๆไม้พายข้อความลับที่อยู่ในเศษกระดาษดูเป็นเรื่องธรรมดาๆแต่ความหาสัร์รของหม้อนั้นเริ่มต้นหลังจากที่เจ้าของคนใหม่ได้ผสมเคล็ดลับของส่วนผสมซึ่งหมอคนนั้นไม่รู้คุณเองก็สามารถค้นพบสิ่งที่ชายหนุ่มเติมลงไปในเคล็ดลับซึ่งทำให้เงินทองหลั่งไหลออกมาจากหม้อใบนั้น ถึงตอนนี้คุณก็ได้ทราบเรื่องราวซึ่งเป็นความจริงแต่แปลกยิ่งกว่านิยายมันเป็นความจริงที่มีจุดเริ่มต้นมาจากไอเดียโปรดสังเกตว่าไอเดียสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้และมันได้จ่ายความมั่งคั่งร่ำรวยไปให้ผู้คนทั่วโลกนับล้ลานๆที่เกี่ยวข้องกับม้อใบนั้นปัจจุบันม้อเก่าๆใบนั้นเป็นผู้บริโภคน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของโลก สร้างงานปลูกอ้อยให้กับผู้คนนับพันและเปิดตลาดน้ำตาลให้กว้างออกไปมอเก่าๆใบนั้นใช้ขวดแก้วนับล้านใบต่อปีทั้งขวดพลาสติกและกระป๋องสร้างงานให้กับผู้คนมากมายมอเก่าๆใบนั้นยังสร้างงานให้กับพนักงานเสมียนพิมพ์ดีดนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปทุกประเทศทั่วโลกมันสร้างชื่อเสียงและโชคลาภ ให้ศิลปินที่สร้างสรรค์ภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์มอเก่าๆนี้เปลี่ยนแอตแลนตาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ให้กลายเป็นเมืองธุรกิจชั้นนำและสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจและผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ปัจจุบันอิทธิพลจากไอเดียนี้ได้สร้างผลกำไรให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกทาให้กระแสะแห่งเงินทองลังไลออกมาอย่างต่อเนื่อง ทองคำจากหม้อใบนี้ยังได้สนับสนุนวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางตอนใต้ช่วยฝึกอบรมและสร้างความสำเร็จให้กับหนุ่มสาวนับพันคนถ้าผลิตภัณฑ์จากหม้อใบนี้พูดได้มันจะบอกเล่าเรื่องราวด้วยทุกภาษาบอกเล่าเกี่ยวกับความรักธุรกิจและมืออาชีพทั้งชายหญิงที่ได้รับแรงกระตุ้นจากมันนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความรักโรแมนติกซ่อนอยู่ด้วย เนื่องจากผมเองก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่นานนักหลังจากที่คนขายยาได้จ่ายเงินซื้อมอเก่าๆใบนั้นตอนนั้นผมได้พบกับภรรยาของผมและเธอเป็นคนเล่าเรื่องมอมหสัจจ ร, ริย์นี้ให้ผมฟังเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นวันที่ผมขอเธอแต่งงานเราก็กำลังดื่มผลิตภัณฑ์จากม้อนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำงานอะไร จงจำไว้ว่าทุกๆครั้งที่คุณเห็นคำว่าโคคาโคล่านั่นเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยที่งอกงามมาจากไอเดียหนึ่งซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญที่คนขายยาเอซาเคเลอร์ Keller, ได้ผสมลงไปในสูตรลับนั่นก็คือจินตนาการนั่นเองโปรดนึกไว้เสมอว่าขั้นตอนสู่ความร่ำรวยที่ได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้ คือหลักการเดียวกันกับที่โคคาโคล่าใช้เพื่อขยายอิทธิพลไปสู่ทุกเมืองทุกหมู่บ้านทั่วทุกมุมโลกถึงตรงนี้สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำไว้ก็คือไอเดียที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เหมือนเครื่องดื่มดับกระหายระดับโลกนี้เช่นเดียวกันบทวิจารณ์ฮาลันแซนเดอร์ก็มีมอวิเศษเช่นกัน โมกของเขาคือเครื่องทอดอาหารที่สามารถปรับความดันอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทอดอาหารหรือสมุนไพรและพริกรวม11ชนิดก็จะไม่มีความหมายเลยถ้าเขาปราศจากจินตนาการพารันเซนเดอร์เคยเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมและร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จในเมืองเคอร์บินรัฐเคนทักกี้แต่เมื่อมีการตัดถนนเชื่อมต่อระหว่างรัฐได้เกิดถนนใหม่ ซึ่งจะไม่ผ่านทางที่โรงแรมเขาตั้งอยู่อีกต่อไปธุรกิจของเขาจึงพังทลายลงทิ้งเอาไว้แต่ตัวเขาและตำรับการทอดไก่ด้วยเครื่องปรับความดันอากาศขณะนั้นเขาอายุ62ปีแล้วผู้พันซึ่งเป็นนามที่ผู้คนทั่วไปเรียกเขาได้ค้นพบหนทางใหม่ของชีวิตด้วยส่วนผสมมหัศจรรย์แห่งจินตนาการทาให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ขายไก่ทอดเป็นชิ้นๆอีกต่อไป แต่จะขายวิธีการผลิตของเขาเขาเก็บตำรับและเครื่องทอดอาหารใส่ท้ายรถแล้วขับรถมุ่งหน้าเพื่อไปสาธิตการผลิตไก่ทอดของเขาให้เจ้าของร้านอาหารอื่นๆดูในช่วงสองปีแรกเขาขายเฟรนช์ายได้เพียง5ร้านอีกสองปีต่อมาขายได้ถึง200ร้านและเมื่อสปีผ่านไปก็มีนักลงทุนมาขอซื้อกิจการของเขาไปซึ่งขณะนั้นเขาขายเฟรนช์ายได้มากกว่า600ร้านค้า โปรดสังเกตว่าความหาัศจรรย์ไม่อยู่กับหม้อรหรือตำรับอาหารเพราะเจ้าของกิจการคนใหม่ได้ขอร้องให้ผู้พันแซนเดอร์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริษัท ต, ต่อไปจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปีคิศ ร, รา1980ทุกวันนี้มี KFC ถึง 12,000 สาขาใน80ประเทศทั่วโลกและทำยอดขายได้ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเดบี้ฟิล แม่บ้านอายุ20ปีซึ่งรักการทำคุกกี้เธอได้รับการศึกษาน้อยและไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางธุรกิจมากนักแต่เธอมีตำรับคุกกี้และจินตนาการว่าคนชอบซื้อคุกกี้ที่สดใหม่ร้อนและนุ่มจากร้านค้าริมทางเดินนักธุรกิจและนายธนาคารที่เธอไปติดต่อบอกว่าเธอบ้าแต่เธอและสามีก็ยังคงพยายามเสนอไอเดีย จนในที่สุดธนาคารยอมปล่อยเงินกู้ให้เด็บบี้ฟิลเพื่อเปิดร้านในเมืองพาโลอันโตในรัฐแคลิฟอร์เนียวันแรกที่เปิดร้านถึงตอนบ่ายแล้วแต่เธอยังขายคุกกี้ไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวดังนั้นเธอจึงลงไปที่ถนนให้ตัวอย่างคุกกี้เพื่อชิมฟรีจนหมดร้านทุกวันนี้มีร้านมิสซิสฟิลกระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาโรงเรียนธุรกิจทาวาดได้ใช้วิธีการของเธอเป็นกรณีศึกษา และเด b บบี้ฟิลก็ได้กลายเป็นนักเขียนหนังสือขายดีนักพูดสร้างแรงจูงใจและเป็นผู้มีชื่อเสียงในรายการโทรทัศน์อีกด้วยวอลลี Wall ่เฟมัสเอ m o สเป็นเอเจนต์ดารานักแสดงในลอสแองเจลิสผู้พยายามเรียนแบบตำรับช็อกโกระชิปของเนสเล่เขาได้เปลี่ยนแปลงสูตรตำรับเล็กน้อยแล้วเริ่มแจกคุกกี้พร้อมกับนามบัตร ลูกค้าและหุ้นส่วนธุรกิจชอบคุกกี้ของเขามากจนทำให้วอลลีตัดสินใจเลือกธุรกิจการแสดงและเปิดร้านในที่สุดเขาทำร่วมกับผู้จัดงานแสดงของดาราในฮอลลีวูดเขาเปิดตัวคุกกี้บนถนนซันเซ็ตบูรเวาดมีแขกรับเชิญสองพันคนรวมไปถึงผู้มีชื่อเสียงด้วย ในงานเลี้ยงนั้นเขาสะพายกระเป๋าบรรจุคุกกี้ที่มีรูปภาพเขาติดอยู่แล้วเริ่มขายมันให้กับเจ้าของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำอีกสิปีต่อมา f ฟ m o u s a m o ส c o o ก i e ได้กลายเป็นธุรกิจระดับ1ิบล้านดอลลาร์เมื่อเรย์ครอกอายุมากกว่า50ปีเขาขายเครื่องปั่นนมและได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจการขายแฮมเบอร์เกอร์ในแคลิฟอร์เนียที่ดิก และแม็แมคกเดีเน์เป็นเจ้าของอยู่นั่นเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาเขาจึงรีบเก็บสัมภาระใส่รถแล้วมุ่งหน้าสู่ซานเบอร์นาริโนเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เขาพบก็คือร้านอาหารแบบบริการตัวเองที่มีรายการอาหารจำกัดแต่มีตำรับแฮมเบอร์เกอร์ที่มีรสชาติแสนอร่อยและบริการด้วยความรวดเร็วมากกว่าทุกร้านที่เขาเคยเห็นมาถ้ามีพื้นที่ว่างในร้านมากกว่านี้ เขาจะต้องขายเครื่องปั่นนมของเขาได้แน่นอนครอกรีบเสนอไอเดียกับสองพี่น้องแม็กโดนัลด์พวกเขาสนใจแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครมาช่วยพวกเขาเปิดร้านใหม่เวลานั้นตํหรับอาหารไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ส่วนผสมที่สำคัญคือจินตนาการเรย์ครอกเสนอตัวเข้าร่วมธุรกิจและจะเปิดร้านอาหารด้วยตัวเองสัญญาณของความมั่งคั่งได้ปรากฏขึ้นจินตนาการของเรย์ครอก ได้จยมูลค่าเป็นยอดขายแฮมเบอร์เกอร์นับพันล้านชิ้นในปีคิศรา1982โฮเวิร์ดชูสทำงานในตำแหน่งผู้จัดการการตลาดของบริษัทเล็กๆที่นำเข้าและขายส่งกาแฟซึ่งตั้งอยู่ที่ตลาดไพเพลสในซีแอตเทิลระหว่างที่เขาเดินทางไปอิตาลีชูสได้ไอเดียจากวัฒนธรรม บาร้านกาแฟในมิลานซึ่งสามารถดัดแปลงรูปแบบไปใช้ที่ซีแเอเตเทิลได้เขาเสนอบริษัทให้ลองดูร้านกาแฟของเขาประสบความสำเร็จจนสร้างรายได้ให้เขาซื้อบริษัทได้5ปีต่อมาหลังจากที่เขาร่วมกับสตาร์บัคเขาได้เป็นซ e อของบริษัทที่มี7สาขา15ปีต่อมาร้านกาแฟของชูส กระจายทั่วทุกซอกทุกมุมในสหรัฐอเมริกาและมีร้านสตาร์บัคถึง 7,000 สาขาทั่วโลกตัวอย่างสุดท้ายแห่งจินตนาการเราขอเสนอเรื่องราวครีมราดหน้าสลัดของพอลนิวแมนการนำเอาความมีชื่อเสียงมาตั้งเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นั้นดูเหมือนไม่ได้ใช้จินตนาการอะไรมากมายนักนิวแมนก็คิดเช่นนั้นเมื่อเขาและหุ้นส่วน AE Ho อนเสนอไอเดียครีมราดหน้าสลัด ให้กับบริษัทอาหารถ้าเขาไม่ได้เสนอการร่วมลงทุนด้วยเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ในปีแรกของโครงการก็ดูเหมือนไม่มีใครสนใจเลยในหนังสือของนิวแมนและฮอตเนอร์กล่าวว่าพวกเขาพบว่าธุรกิจอาหารที่อาศัยชื่อเสียงของคนเกือบทั้งหมดนั้นมักจะประสบความล้มเหลวและปัจจุบันไม่มีใครอยากแตะต้องมันอีกดังนั้นเมื่อเข้ามาสู่ตลาดครีมราดหน้าสลัด ชื่อเสียงอันโด่งดังของพอลนิวแมนและการร่วมลงทุนด้วยเงินจำนวนมากไม่ใช่ความมหัศจรรย์อะไรเลยแต่ความมหัศจรรย์อยู่ที่จินตนาการที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เหมาะสมและเกาะติดจนกว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกับทุกคนที่ได้ยินความคิดของเขามักจะบอกว่าบ้าที่จะลองทำแบบนั้น พวกเขาถูกปฏิเสธจากบริษัทบรรจุภัณฑ์ว่างานของเขาเล็กเกินไปและถูกปฏิเสธโดยผู้แทนจำหน่ายซึ่งไม่เปิดโอกาสให้สินค้าที่อาศัยความมีชื่อเสียงได้วางขายสุดท้ายก็มีเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตรายหนึ่งคือสตีลเลียนาดผู้ซึ่งช่วยดึงเขาขึ้นมาเนื่องจากสตีลเลียนาดมีจินตนาการพอที่จะแลเห็นศักยภาพจึงยอมให้ครีมราดหน้าสลัดของนิวแมนได้วางบนชั้นวาง สิบห้าปีต่อมาเครื่องหมายการค้าของนิวแมนได้สร้างบริษัท ร, ระดับหนึ่งรล้านดอลลาร์ซึ่งบริจากรายได้ส่วนใหญ่เพื่อการกุศลจบบทวิจารณ์สิ่งที่ฉันจะทำถ้ามีเงินหนึ่งล้านดอลลาร์เรื่องราวต่อไปนี้พิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นผู้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังคือนักสอนศาสนาและนักการศึกษา แฟรงดับเบิลยูกันซอรัสผู้เริ่มต้นอาชีพนักเทศในชิคาโกขณะที่กันซอรัสเดินทางไปตามหมู่บ้านเขาสังเกตเห็นข้อบกพร่องในระบบการศึกษาของประเทศเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ได้หากเขาได้เป็นผู้บริหารการศึกษาของวิทยาลัยเขาจึงตัดสินใจที่จะก่อตั้งวิทยาลัยแห่งใหม่ที่ใช้แนวคิดของเขาโดยปราศจากระบบการศึกษาแบบโอโทดอก เขาจำเป็นต้องใช้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อโครงการนี้แต่จะไปแบมือของเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้ที่ไหนเป็นคำถามที่บั่นทอนความคิดฝันอันทยธยานของนักบวชหนุ่มดูเหมือนไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยทุกคืนเขาจะนอนหลับไปพร้อมกับความคิดนั้นและตื่นตอนเช้าพร้อมมันเขาพกพาความคิดนี้ติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง จนกระทั่งมันกลายเป็นการย้ำคิดจากการที่เขาเป็นนักปรัชญาและนักเทศทำให้การสอรสตระหนักว่าทุกคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตล้วนมีเป้าหมายที่แน่นอนเป็นจุดเริ่มต้นเขายัางตระหนักด้วยว่าเบื้องหลังของเป้าหมายที่มุ่งมัน่นและทรงพลังจะต้องมีปณิธานอันแรงกล้าเพื่อที่จะแปลเปลี่ยนปณิธานไปสู่ความเป็นจริงเขารู้สัตธรรมนี้ดี แต่เขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะไปแบมือของเงินหนึ่งล้านดอลลาร์นี้ได้จากที่ไหนและอย่างไรวิธีการปกป้องตัวเองที่ควรทำก็คือล้มเลิกและยอมแพ้เพียงพูดกับตัวเองว่าเอาละความคิดนี้ดีแต่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่สามารถหาเงินถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ได้นี่เป็นคําพูดที่คนส่วนใหญ่พูดแต่ไม่ใช่คาพูดของกันซอรัส สิ่งซึ่งเขาพูดนั้นสำคัญมากจนผมจะขอนำข้อความจากคำพูดของเขาเองมานำเสนอบ่ายวันเสาร์วันหนึ่งผมนั่งอยู่ในห้องคิดหาวิธีการที่จะได้เงินมาทำให้แผนการบรรลุผลเกือบสองปีที่ผมคิดแต่ไม่มีอะไรเลยนอกจากได้แต่คิดเวลาลงมือมาถึงแล้วผมตัดสินใจที่นั่นตรงนั้นว่าภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ผมจะต้องได้เงินมาให้ได้ แต่อย่างไรล่ะผมไม่คํานึงถึงมันอีกต่อไปสิ่งสําคัญคือตัดสินใจที่จะต้องได้เงินในเวลาที่กําหนดไว้ผมอยากจะบอกคุณว่าขณะที่ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต้องได้เงินในเวลาที่กําหนดความรู้สึกมั่นใจอย่างประหลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนได้บังเกิดขึ้นบางสิ่งในใจผมดูเหมือนจะพูดว่าทําไมเธอไม่ตัดสินใจแบบนี้ตั้งนานแล้วเงินกําลังรอเธออยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้เกิดขึ้นเร็วมากผมรีบโทรศัพท์แจ้งบรรดาหนังสือพิมพ์และประกาศว่าผมจะเทศในเช้าวันรุ่งขึ้นในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ฉันจะทำถ้ามีเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ผมรีบไปเตรียมบทความที่จะเทศทันทีแต่ผมต้องบอกคุณอย่างจริงใจว่าไม่ได้ยากเลยสำหรับผมเนื่องจากได้เตรียมบทเทศนี้มากกว่าสองปีแล้ว ผมเขียนบทความที่จะเทศเสร็จในตอนเที่ยงคืนและเข้านอนด้วยความรู้สึกมั่นใจและคิดฝันเห็นตัวเองได้ครอบครองเงินหนึ่งล้านดอลลาร์นั้นแล้วเช้าวันต่อมาผมรีบตื่นแต่เช้าเข้าห้องน้ำอ่านบทความที่จะเทศแล้วคุกเข่าอ้อนวอนว่าขอให้มีคนสนใจการเทศของผมและบริจาคเงินที่ต้องการขณะที่ผมกาลังสวดมนั้น ความรู้สึกมั่นใจที่เกิดกับผมอีกว่าเงินก้อนนั้นกำลังมาด้วยความตื่นเต้นผมเดินออกไปโดยลืมเอาบทความที่จะเทศไปด้วยและผมก็ยังไม่รู้ตัวจนไปยืนอยู่หน้าเวทีแล้วมันสายเกินไปที่จะกลับไปเอาโนตนั้นสิ่งที่อํานวยพรให้ผมว่าไม่ต้องกลับไปก็คือจิตใต้สำนึกของผมเองเนื้อหาไม่จาเป็นอีกแล้วเมื่อเริ่มต้นเทศ ผมได้พูดออกมาจากหัวใจจิตวิ ญ, ญญาณและความใฝ่ฝันผมไม่ได้พูดกับผู้ฟังเท่านั้นแต่จินตนาการว่ากำลังพูดกับพระเจ้าผมบอกเล่าถึงสิ่งที่ผมจะทำถ้ามีเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ในมือผมอธิบายแผนที่จะใช้เงินเพื่อ ก, อก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนหนุ่มสาวจะได้เรียนรู้ที่จะลงมือปฏิบัติและขณะเดียวกันก็พัฒนาจิตใจไปด้วย เมื่อจบการเทศมีชายผู้หนึ่งลุกขึ้นช้าๆจากแถวที่นั่งที่สามด้านหลังสุดผมประหลาดใจในสิ่งที่เขากำลังจะทำเขาเดินมาอย่างที่ที่ผมเทศยื่นมือมาและพูดว่าท่านศาทุกคุณผมชอบการเทศของท่านมากและเชื่อว่าท่านจะสามารถทำตามที่พูดไว้ถ้าท่านมีเงินหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อพิสูจน์ว่าผมเชื่อพรุ่งนี้เช้ากรุณาไปที่ออฟฟิศของผม ผมจะขอมอบเงินให้ท่านหนึ่งล้านดอลลาร์ผมชื่อฟิลิปดีอา m มอร์การซอลัสได้ไปที่ออฟฟิศของอามอร์และเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ก็รอเขาอยู่จริงๆเงินก้อนนี้เขาได้ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีอามอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในานามสถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ที่ใช้ก่อตั้งสถาบันอารมอร์นั้นมาจากไอเดีย เบื้องหลังไอเดียก็คือปณิธานที่กันซอรัสได้บ่มเพาะในจิตใจมาเกือบสองปีโปรดสังเกตข้อเท็จจริงสำคัญที่ว่าเขาได้เงินนี้มาภายในส6มหชั่วโมงหลังจากที่ตัดสินใจแน่วแน่และวางแผนว่าจะต้องได้มันมาไม่ใช่เรื่องแปลกปรลาดอะไรที่กันซอรัสเคยมีความคิดที่ไม่แน่นอนและมีความหวังที่เลือนรางในการที่จะได้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์ เพราะคนอื่นก็คิดเช่นนี้แต่สิ่งซึ่งแตกต่างก็คือการตัดสินใจในวันเสาร์ที่น่าจดจํานั้นเขาได้โยนความไม่แน่นอนทิ้งไปและพูดว่าฉันจะต้องได้เงินนั้นภายในหนึ่งสัปดาห์หลักการที่การซอลัสใช้เพื่อให้ได้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์นั้นยังคงอยู่และพร้อมแล้วสำหรับคุณเช่นกัน ปัจจุบันกฎแห่งจั ก, กรวาล น, นี้ก็ยังใช้ได้ผลเหมือนดังที่นักบวชหนุ่มเคยใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้วบทวิจารณ์สถาบันเทคโนโลยีอาร์มอร์ก่อตั้งเมื่อปีคิตศกรา1893เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เคมีสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิชาบรรรักษ์ในปีค ศ, ศ1940ได้รวมกับสถาบันเลวิส วิทยาลัยชิคาโกซึ่งก่อตั้งเมื่อปีคิศกรา1895และเปิดสอนศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เมื่อรวมกันแล้วได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีอิลิินอยสในปีคิศรา1949สถาบันการออกแบบซึ่งก่อตั้งในปีคิศรา1937ก็ได้เข้ามารวมกับไอ t ตามมาด้วยชิคาโกเคน วิทยาลัยด้านนิติศาสตร์และโรงเรียนธุรกิจเจ้าท์ในปีคิเตศกราช1969และวิทยาลัยวิศวกรรมมิดเวสในปีคิเตศกราช1986ทุกวันนี้มีคณะต่างๆมากมายในดาวทาวชิคาโก IIT ถูกขนานนามว่าเป็นสถาบันผู้สร้างความสำเร็จจบบทวิจารณ์วิธีแปรเปลี่ยนไอเดียให้เป็นเงินทอง เอซาเคลเลอร์ Keller, และดอกเตอร์แฟงกันซารัสมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันทั้งคู่ต่างรู้สัจธรรมที่น่าทึ่งคือไอเดียสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ด้วยพลังแห่งเป้าหมายที่แน่วแน่ร่วมกับแผนการที่ชัดเจนถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อว่าการทำงานหนักและซื่อสัตย์อย่างเดียวจะทำให้ร่ำรวยได้แล้วก็ลืมไปได้เลยเพราะมันไม่เป็นความจริง ความมัง่งคั่งร่ำรวยไม่ได้มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวความมัง่งคั่งร่ำรวยจะตอบสนองต่อความต้องการที่ชัดเจนด้วยการนำหลักการไปประยุกใช้ไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรือเพราะโชคช่วยกล่าวโดยทั่วไปไอเดียคือความคิดชนิดหนึ่งที่พร้อมจะให้คุณนำไปลงมือปฏิบัติเนื่องจากมันได้ดึงดูดจินตนาการของคุณเข้ามานักขายชั้นยอดทุกคนจะรู้ว่า ไอเดียของเขาขายได้แต่พ่อค้าทั่วๆไปไม่รู้พนักงานขายธรรมดาธรรมดาก็ไม่รู้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงยังคงเป็นพนักงานขายที่ธรรมดาธรรมดาอยู่สํานักพิมพ์แห่งหนึ่งอาจจะค้นพบสิ่งที่มีค่ามากกว่าสํานักพิมพ์อื่นๆเขาเรียนรู้ว่าการที่คนซื้อหนังสือจากชื่อหนังสือไม่ใช่เพราะเนื้อหาในหนังสือเพียงเปลี่ยนชื่อให้หนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งยอดขายไม่ขยับเลยก็อาจทำให้ยอดขายพุ่งพรดขึ้นไปเป็นล้านเล่มได้ทั้งๆที่เนื้อหาข้างในไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเขาเปลี่ยนเอาปกเดิมออกแล้วใส่ปกใหม่ที่ดึงดูดใจเหตุผลง่ายๆก็คือไอเดียหรือจินตนาการนั่นเองบทวิจารณ์สำหรับผู้อ่านที่คิดว่าการเปลี่ยนปกหนังสือเป็นเรื่องพื้นน หรือคิดว่าเขาทําอะไรแบบนั้นได้ก็เพราะเขาเป็นบรรณาธิการหนังสือผู้เขียนอยากจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเพียงแต่คุณคิดไอเดียพื้นพื้นนี้ได้ก่อนสัมนักพิมพ์เขาอาจจะยินดีขายหนังสือที่ยอดขายไม่ดีให้คุณในราคาถูกและคุณอาจจะได้เป็นคนที่เปลี่ยนปกหนังสือแล้วกลายเป็นบรรณาธิการของหนังสือขายดีอย่างไรก็ตามไอเดียของการเปลี่ยนปกหนังสือไม่ได้มีความหมายอะไรหากคุณ ไม่มีไอเดียเกี่ยวกับวิธีการทำการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับปกหนังสือใหม่นั้นและนั่นเป็นประเด็นสำคัญของฮิวแม้ว่าโคคาโคลาจะเป็นตำรับแห่งไอเดียที่สร้างสรรค์แต่มันจะคงเป็นเพียงตำรับตลอดไปถ้าเอสซาเคเลอร์ไม่มีไอเดียสร้างสรรค์นในการทำการตลาดและศรัทธานในตนเองที่จะทำตามไอเดียนั้น สเปนซินเวอร์เป็นนักเคมีที่ทำงานกับส m เอมเขาบังเอิญคิดค้นกาวชนิดหนึ่งซึ่งติดได้ไม่ค่อยดีนักไม่แปลกเลยที่ส m มเอมจะไม่สนใจกาวที่ติดไม่ดีดังนั้นนวัตกรรมของซินเวอร์จึงถูกขึ้นหิ้งแต่ซินเวอร์ก็ยังชอบกาวของเขาดังนั้นในช่วงเวลาหปีเขาได้พยายามสาธิตมันให้คนอื่นๆฟังแต่ก็ไม่มีใครสนใจฟัง จนกระทั่งอาเทอร์ฟลายซึ่งทำงานอยู่ในแผนกเทพกาวของ 3M พบว่าขณะที่เขากำลังฝึกร้องเพลงประสานเสียงเขาต้องเสียที่นั่งในงานสวดสรรเสริญพระเจ้าเนื่องจากแผ่นกระดาษที่เขาวางจองไว้บนที่นั่งตกหล่นลงไปบนพื้นดังนั้นด้วยคุณสมบัติที่กาวของซินเวอร์ที่ติดไม่แน่นนักจะทำให้มันช่วยยึดแผ่นกระดาษไว้กับที่ที่เขาต้องการได้ และก็สามารถดึงลอกออกได้ง่ายเช่นกันนั่นเป็นการค้นพบอันน่าตื่นเต้นพวกเขาได้ประดิษฐ์กระดาษกาวที่ใช้คั้นหนังสือที่เรียกว่าโพสอิ t แต่เรื่องราวแห่งจินตนาการในการสร้างสารรค์โพสอิดนี้ยังไม่จบฟรต้องใช้ความพยายามต่อไปอีกเขาต้องเสนอให้วิศวกรช่วยแก้ปัญหาจากการผลิตจนเขาสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต้นแบบในการผลิตได้ในที่สุดอีกสองปีต่อมา 3M จึงได้ให้แผนการตลาดเริ่มโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทำโฆษณาและโบชัวเพื่อขายไอเดียแผ่นกระดาษกาวและเริ่มทดสอบการตลาดในสี่เมืองพ้นคือความหายนะไม่มีใครสนใจไม่มีใครซื้อเลยใครจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อกระดาษกาวโครงการโพสต์อิทสำเร็จอย่างบุดหวิดเมื่อเจฟฟี่นิคโคสันและโจเซฟเรมี่ เติมเต็มจินตนาการของพวกเขาเข้าไปนิโคสานและเรมี่ก็เหมือนกับซินเวอร์และฟรายตรงที่พวกเขามีความเชื่อในไอเดียของตัวเองที่เห็นว่าคนทำงานออฟฟิศจะต้องชอบกระดาษกาวชิ้นน้อยนี้อย่างแน่นอนตั้งแต่แรกที่เขารับงานนี้มานิโคสันและเรมี่จึงไปยังเมือง Richmond, ริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียหนึ่งในสี่เมืองที่แผนการตลาดล้มเหลวเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อแจกโพสไอให้พนักงาน ประชาสัมพันธ์เลขานุการและทุกคนที่พอจะสนใจขณะที่การตลาดสินค้าอื่นๆของ 3M มเอประสบปัญหาแต่การแจกโพส t อต์ให้พนักงานออฟฟิศใช้ได้ผลเป็นอย่างมากเมื่อพนักงานออฟฟิศของริ c h m o n d เริ่มใช้โพส t อต์มันเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยที่จะซื้อกระดาษกาวมาใช้เขาเริ่มมีมันไว้ใช้งานเริ่มยอมจ่ายเงินซื้อมันการทดสอบกับริชม เปลี่ยนจากความล้มเหลวกลายเป็นความสำเร็จและในไม่ช้าโพสอิดก็ถูกติดไว้ทั่วโลกต่อไปเป็นไอเดียธรรมดาธรรมดาอีกอันหนึ่งในการเปลี่ยนจินตนาการเป็นความสำเร็จเรื่องนี้เริ่มจากปัญหาที่ตรงกันข้ามกับของสเปนซินเวอร์ชายผู้นี้มีอะไรที่ติดแน่นเกินไปจอร์ชเดอร์เมสทิวเป็นนักไต่เขาชาวสวิตซึ่งออกไปล่าสาัตว์พร้อมสุนัขของเขา เมื่อเขากลับบ้านก็พบว่าเสื้อผ้าเต็มไปด้วยมเมล็ดพืชมีน้ำติดตามเนื้อผ้าน้ำพวกนี้เอาออกยากมากทำให้เดอร์แมสติวต้องเอาแว่นขยายมาส่องดูเพื่อจะเรียนรู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาได้เห็นว่าเหมือนมีตะขอเล็กๆเกี่ยวกับใยผ้านั่นคือการจุดประกายถ้ามเมล็ดพืชติดในที่ที่คุณไม่ต้องการทาไมคุณไม่ใส่ตะขอเล็กๆบนสิ่งที่คุณต้องการให้มันติด เดอร์แมสก็มีจินตนาการเช่นเดียวกับทุกคนที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเขายัางเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองทั้งๆ ท, ที่ถูกผู้คนหัวเราะเยาะเหมือนที่คนอื่นโดนจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาพบว่าร้านเสื้อผ้าในฝรั่งเศสจะช่วยเขาทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่างไรก็ตามเมื่อเขาค้นพบวิธีการใช้ชิ้นส่วนพาฟ่ า, ายทําสิ่งซึ่งเขาเรียกว่า เทปสำหรับล็อกล็อกกิ้งเทปมันก็ยังไม่สามารถผลิตเป็นจำนวนมากๆได้อยู่ดีต่อมาเมื่อเดอร์เมสติลค้นพบโดยบังเอิญว่าถ้าใช้แสงอินฟราเรดมองไนลอนเขาก็จะเห็นตะคอนหนามเล็กๆตามธรรมชาติเช่นกันตอนนี้มันสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการค้าได้แล้วเหลือแต่การตั้งชื่อด้านหนึ่งเป็นอยๆคล้ายกรรมยีอีกด้านหนึ่ง เป็นคล้ายกลุ่มได้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับตะขอเกี่ยวเกิดจากการรวมคำเวลและโครด้วยจินตนาการผลออกมาคือเวลโครและแล้วนักปีนเขาชาวสวิตก็กลายเป็นคลื่นลูกใหม่แห่งวงการธุรกิจครั้งหนึ่งบริษัทโซนี่เคยลองทำเครื่องเล่นเทปสตอเรโอเล็กๆที่ทำงานกับเทปคาเสเซ็ตขนาดปกติแต่ไม่สามารถทาได้สาเร็จขณะเดียวกันนั้น ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ต้องการผลิตเครื่องบันทึกเสียงแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้มันมีขนาดเล็กลงได้พวกเขาจึงสรุปว่าการออกแบบนี้ล้มเหลวและแล้ววันหนึ่งมาซารุไอบุกะกรรมการบริษัทได้เดินเข้าไปในห้องปฏิบัติการและเห็นวิศวกรกลุ่มหนึ่งกำลังฟังเพลงด้วยเครื่องอัดเสียงต้นแบบนั้นโดยใช้เทปบันทึกเสียงเพลงไว้พวกนั้น ไม่ได้สนใจว่าเครื่องนั้นจะบันทึกเสียงได้หรือไม่เขาชอบมันเพราะสามารถพกพาเดินไปไหนมาไหนเพื่อฟังเพลงโปรดได้จึงเป็นที่มาของจินตนาการที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไอบุกะจำได้ว่าอีกแผนกหนึ่งกําลังผลิตหูฟังขนาดเล็กอยู่สิ่งนั้นได้จุดประกายให้เขาในทันทีจินตนาการได้สร้างการเชื่อมโยงให้เขา โดยที่วิศวะกรคนอื่นๆไม่เคยคิดมาก่อนในมุมมองของไอบุกะก็คือทีมวิศวะกรไม่ได้ล้มเหลวเรื่องของการบันทึกเสียงแต่พวกเขาได้สร้างเครื่องฟังเพลงส่วนตัวขึ้นมาต่างหากเขานำหูฟังเข้ามาเชื่อมต่อกลายเป็นว a l k m a มมันได้ปฏิวัติทั้งวงการธุรกิจเพลงและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คลารเรนสอนเดอร์เป็นเสมียนร้านขายของชาเล็กๆทางตอนใต้ วันหนึ่งเขากำลังยืนถือถาดในมือกำลังรอคิวในร้านขายอาหารเขาไม่เคยหาเงินได้มากกว่ายี่สิบดอลลาร์ต่อสัปดาห์มาก่อนและไม่มีใครสังเกตว่าเขามีความสามารถพิเศษขณะที่เขาเข้าแถวรอคิวอยู่นั้นเขาคิดอะไรในใจขึ้นมาได้อย่างหนึ่งมันเป็นการใส่จินตนาการเข้าไปในงานที่ทำเขามีไอเดียว่า ถ้าให้ลูกค้าที่มาซื้อของในร้านขายของชำบริการตัวเองบ้างน่าจะเข้าทา่าคลาเรนซอนเดอร์เอาไอเดียนี้ไปบอกเจ้านายไม่แปลกที่เจ้านายจะบอกว่าเขาบ้าไปหรือเปล่าดังนั้นซอนเดอร์จึงออกจากงานแล้วรวบรวมเงินเปิดร้านขายของชำที่ให้ลูกค้าบริการตัวเองเป็นแห่งแรกเขาตั้งชื่อร้านว่าพิกกี้วิกลีและแล้วคลาเรนซอนเดอร์ เสมียนร้านขายของชำผู้ได้รับเงินเดือนเพียง20ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก็กลายเป็นเจ้าของกิจการร้านขายของชำหลายสาขาในสหรัฐอเมริกาที่ทำเงินล้านได้อย่างรวดเร็วซีแวนโกแมนเป็นเจ้าของร้านพิกกี้วิกลี่ร้านหนึ่งในโอกลาโฮมาเช่นเดียวกับนักธุรกิจที่ดีคนอื่นๆเขาได้ใช้เวลาเฝ้าดูลูกค้าเดินไปเดินมาตามทางเดินในร้าน เพื่อหยิบสินค้าใส่ตะกร้าหรือถุงช้อปปิง้งคืนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังครุ่นคิดว่าจะมีอะไรช่วยให้ลูกค้าซื้อของได้มากๆในคราวเดียวเขาก็บังเอิญมือมองไปที่ตะกร้าใบหนึ่งซึ่งวางอยู่บนเก้าอี้ไม้คิดออกแล้วเขาเรียบเรียกช่างของเขาที่ชื่อเฟรชยังมาเพื่อใส่ล้อเข้าไปที่ขาเก้าอี้และใส่ตะกร้าเข้าไปบนที่นั่งนั้น รถเข็นสำหรับช้อปปิ้งก็ได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตอนที่หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ใหม่มีรถเข็นสำหรับช้อปปิ้งในสหรัฐอเมริการาวสามสิบห้าล้านคันและมีการผลิตรถเข็นใหม่หนึ่งจุสองห้าล้านคันต่อปีโทโมัสแตมเบิร์กผู้ซึ่งเราได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้เป็นผู้จัดการซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกคนหนึ่งที่เฝ้าดูลูกค้าของเขาช้อปปิง้งเวลานั้น รถเข็นชอปปิ้งได้เป็นที่รู้จักกันดีในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนื่องจากเขาเห็นลูกค้าเข็นรถเข็นไปๆมามาจึงเกิดประกายความคิดขึ้นเขามั่นใจในไอเดียของเขาจึงไปเสนอผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตอีกคนหนึ่งลีโอคานเพื่อร่วมธุรกิจด้วยกันเขานำเอาแนวคิดซูเปอร์มาร์เก็ตมาผสมผสานกับการขายอุปกรณ์สำนักงานในปีคศ1986 พวกเขาเปิดร้านแรกที่เมืองไบรตันรัสเมซาสุเซตโดยตั้งชื่อว่า s t ตเปิลในปีคิจตศกราช1989เขาจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและ10ปีต่อมามีร้านสเตเป e มากกว่า 1,000 ร้านทำรายได้ 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเราจะจบบทวิจารณ์นี้ด้วยตัวอย่างเรื่องราวอีกสักเรื่องซึ่งเชื่อมโยงกัน ส่วนที่สำคัญที่สุดของจินตนาการที่ใช้ในการตลาดคือจังหวะเวลาถ้าคุณไปเดินช็อปปิ้งในปลายปีคิตศกาช1800ถ้าคุณต้องการสินค้าจากชั้นวางเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องเจรจาต่อรองกับพ่อค้าในปีคิเตศกาต1870คลังสินค้าเริ่มใช้ราคาสินค้าที่กําหนดไว้แน่นอน พ่อค้าพยายามใช้แนวคิดในการขายด้วยสินค้าราคาเดียวซึ่งมักจะเป็น5เซนแฟรงก์วินฟรีวูดเวิร์ดเป็นเสมียนร้านค้าแห่งหนึ่งเขาเสนอให้เจ้าของร้านลองทำตามความคิดทุกอย่าง5เซนของเขาถึงแม้ว่ามันจะเข้าท่าแต่เจ้าของร้านกลับไม่ค่อยประทับใจดังนั้นวูดเวิร์ดจึงขอยืมเงินจากเจ้านายของเขา350ดอลลาร์ และในปีกิจศกราช 1,879 เขาก็ได้เปิดร้าน5เซนร้านแรกในเมืองยูทิก้ารัฐนิวยอร์กในร้านเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้มากมายที่ราคาถูกหนึ่งปีต่อมาเขามีร้านค้า4ร้านและร้านที่4อยู่ในเมืองแลนคาสเตอร์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นร้านแรกที่เขาเริ่มใช้ชื่อว่าร้าน F.W. Woodworth 5และ10เซน ยี่สิบปีต่อมาเขามีร้านทั้งหมด238ร้านตอนที่เขาเสียชีวิตในปีคิตศกราช1919มีร้าน F.W. Woodward ทั้งสิ้นกว่า 1,000 สาขาเขาได้สร้างเครือข่ายร้านค้าระดับประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกและเขายังได้สร้างตึกสูงที่สุดในนิวยอร์กเพื่อเป็นสำนักงานใหญ่อีกด้วยบริษัท Woodward ยังคงยืนหยัดแนวคิดเดิม ไม่ค้าขายสินค้าที่ราคาเกินกว่าเหรียญสิบเซนจนกระทั่งปีคิจสศักราช1932ราคาสูงสุดของสินค้าจึงต้องขยับขึ้นเป็น20เซนแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปกระแสสินค้าราคาเดียวก็เริ่มตกลงการค้าเริ่มแปลเปลี่ยนบริษัทต้องรักษาอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจจนกระทั่งร้านค้ามีถึง800สาขาทั่วโลก ขายทุกอย่างตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้เล็กๆไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์เมื่อปีคิทสกราช 1960-1970 ก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปแต่วูดเวิร์ดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและเมื่อแซมวอลตันได้เปิดห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทแห่งแรกขึ้นที่เมืองโรเจอร์รัฐอาร์คันซอในปีคิทสกราช1962 วอลตันก็ได้เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อพ่อตาของเขาให้กู้เงินเพื่อซื้อเฟรนชายห้างสรรพสินค้าในเมืองเบนตันวิลล์อาคันซอจากพี่น้องบัตเลอร์ในปีคศร1962แซมละบัตน้องชายของเขาเป็นเจ้าของร้าน16ร้านในรัฐอาคันซอมิสซูรีและแคนซัส เพราะห้างสปปรรพสินค้าเหล่านี้เองที่ทำให้แซมวอลตันเติมจินตนาการลงไปในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แซมได้ลองไอเดียใหม่ในการขายสินค้าในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ทั่ ว, วไปในลักษณะของการค้าปลีก เขาใช้การตกแต่งภายในห้างสรรพสินค้าที่ดูสะอาดสะอ้านและนำเสนอรูปแบบการบริการด้วยตัวเองทางเดินที่กว้างพอที่ใช้รถเข็นซื้อของได้อย่างสะดวกสบายและคิดราคาสินค้าที่ด้านหน้าเขายังเป็นผู้ริเริ่มการซื้อสินค้าโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและสร้างสารรค์แผนการปันผลกำไร เพื่อทำให้ลูกจ้างพนักงานมีความจงรักภักดีขยันทำงานและเป็นมิตรกับลูกค้าในปีคิสสกสาราต1962เขารวมกลุ่มบริษัทต่างๆความคิดและจินตนาการเข้าด้วยกันเมื่อเขาเปิดห้างสรรพสินค้าแรกที่เขาเรียกว่าวอลมาร์ท เขาสร้างความอัศจรรย์ด้วยการลดราคาผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมนอกจากนี้เขายังสามารถรักษาความรู้สึกที่ดีของคนในพื้นที่ที่มีต่อห้างสรรพสินค้าได้อีกด้วยแม้ว่าในปัจจุบันมันจะถูกเรียกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าโหล ก, กตามวอมาร์ดของแซมวอลตันก็ยังประสบความสําเร็จดังนั้นเขาจึงสร้างและเปิดสาขาใหม่ไปเรื่อยๆเริ่มจากเมืองเล็กๆและชนบทไปสู่เมืองใหญ่และมหานคร ใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็สร้างเครือข่ายห้างสปปรรพสินค้าระดับประเทศได้เมื่อปีคิทส์สกราช1992ที่แซมวอลตันเสียชีวิตมีห้างสปปรรพสินค้าวอลมาร์ทมากกว่า 1,700 สาขาเป็นร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจ้างงานผู้คนมากกว่า 6,000 คนและแซมวอลตันก็ได้เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปีคิทส์สกราช2003 มีห้างสรรพสินค้าว a l มา r t มากกว่า 3,200 สาขาในสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 1,100 ในต่างประเทศบริษัทจ้างงานผู้คนทั่วโลกมากกว่า 1,300,000 คนและให้บริการลูกค้ามากกว่า1ล้านคนต่อสัปดาห์ขณะที่ว o o เวิ r ์และร้านค้าปลีกเก่าแก่เช่น Chris, เครสพยายามลองทำตลาดห้างสรรพสินค้าที่รองรับคนจำนวนมาก ด้วยห้างวูโคลและเคมาดแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนักเขาเลิกล้มเอกลักษณ์สินค้าห้าเซนของตัวเองไปเมื่อเกิดวอลมาร์ทขึ้นและปรับปรุงการทำการตลาดเสียใหม่รายอื่นๆก็หมดปัญญาที่จะใช้ประโยชน์จากจินตนาการที่เขาเป็นผู้บุกเบิกเดวิดโกลดำเนินกิจการร้านขายสุราต่อจากพ่อของเขา เขาสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตั้งราคา99เซนสินค้ามักจะขายหมดในเวลาอันรวดเร็วกว่าราคาอื่นเขาจึงตัดสินใจเปิดร้านชื่อทุกอย่าง99เซนซึ่งทุกอย่างที่อยู่ในร้านจะมีราคา99เซนหมดฟังดูคล้ายกับจินตนาการของแฟรงค์วูดเวิร์ดเมื่อปีคิเตศกาช1879ซึ่งสิ้นชื่อไประหว่างปีคิเตศกาช1940 ถึง 1,950 ชื่อแบบนี้ได้ฟื้นขืนชีพขึ้นมาใหม่โดยเดวิดโกลในปีคิศ 1,982 เช่นเคยบรรดาเพื่อนฝูงและครอบครัวหาว่าเขาบ้าแต่เดวิดโกลเดินหน้าต่อไปเพื่อหาผู้แทนจำหน่ายที่จะส่งสินค้าให้เขาอาจเป็นผู้ค้าที่กำลังจะเลิกกิจการหรือโรงงานที่ผลิตสินค้าจำนวนมากและราคาถูก พอที่เขาจะขายในราคา99เซนในที่สุดเขาก็ค้นพบและสร้างตราผลิตภัณฑ์สินค้าทุกอย่างตั้งแต่เครื่องโลหะหนักไปจนถึงของเล็กๆผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้ำมันเครื่องเครื่องครัวเครื่องสำอางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเล่นเด็กอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งคุกกี้ผลไม้สดหรือแม้แต่อาหารพร้อมรับประทาน เขาสามารถขายสินค้ามากกว่า 5,000 รายการในราคา99เซนและยังคงมีกำไรเดวิดโกเปิดร้านแรกที่เมืองอินเกิลวูดรัฐแคลิฟอร์เนียในปีคิศร1982ด้วยร้านสีสันสดใสสีเขียวและแดงเข้มมีทางเดินกว้างขวางในปีคศรา2003เขามีร้านสรรพสินค้า142สาขาในรัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาดาและอาริโซนาเขาติดอันดับหนึ่งใน400ของเศรษฐีที่มีทรัพย์สินส่วนตัวมากกว่า650ล้านดอลลาร์ของนิตยสารฟลอปดังที่น a p เ l e ร n h i ียนฮิได no ้เขียนเกี่ยวกับจินตนาการของพิกกี้วิกกี้ไว้ในหนังสือเ a w า f s u ซ c e s s ว่าจากเรื่องนี้คุณจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะทำแบบนั้นบ้างแผนการที่เราจะใช้เพื่อสร้างเงินล้าน อาจมาจากไอเดียง่ายๆธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนมองข้ามไปคุณต้องใส่ไอเดียเข้าไปในจินตนาการเพื่อให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติยิ่งคุณมีไอเดียที่ง่ายๆพื้นๆมากเท่าไหร่มันกลับยิ่งสร้างความคุ้มค่าให้คุณมากขึ้นเท่านั้นคุณไม่ควรมองหาแต่ไอเดียที่มีรายละเอียดและซับซ้อนมากจนเกินไปจบบทวิจารณ์ไอเดียดีๆไม่มีราคาที่ตายตัว ผู้สร้างสรรค์ไอเดียต้องตั้งราคาด้วยตัวเองหากเขาเก่งพอก็จะได้มันมาเองเรื่องราวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมักเริ่มจากคนที่สร้างสรรค์ไอเดียขึ้นมาพบกับคนที่ขายไอเดียแล้วทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพคานกี้จะแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่สามารถทำในสิ่งซึ่งเขาทำไม่ได้เพียงแต่มีคนที่สร้างสรรค์ไอเดียร่วมกับคนที่จะนำไอเดียไปลงมือปฏิบัติ เท่านี้ก็ทําให้เขาร่ํารวยมหาศาลผู้คนนับล้านใช้ชีวิตรอคอยโชคดีที่ตนปรารถนาบางทีความโชคดีก็ให้โอกาสเราแต่แผนการที่ดีที่สุดต้องไม่ขึ้นกับโชคผมโชคดีที่ได้โอกาสดีๆมากมายในชีวิตแต่ผมก็ได้อุทิศตัวด้วยความภาคเพียรพยายามนานกว่า20ปีจึงจะได้ทรัพย์สินมาโชคที่ทําให้ผมมั่งคั่งเกิดจากการได้พบ และได้รับความร่วมมือจากแอนดรูคาเนกีเขาได้บ่มเพาะไอเดียของหลักการและปรัชญาแห่งความสำเร็จเข้าไปสู่จิตใจผมผู้คนนับล้านได้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยนานหลายปีจนได้ค้นพบและได้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยการนำหลักปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้การเริ่มต้นนั้นไม่ยากมันก็คือไอเดียที่เราต้องพัฒนาขึ้นความโชคดีนี้ได้มาจากคาเนกี แต่ก็ต้องอาศัยการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอนปณิธานที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยเป็นเวลาหลายปีปณิธานธรรมดาธรรมดาไม่สามารถจะเอาชนะความท้อแท้สิ้นหวังการดูถูกความพ่ายแพ้การถูกตาหนิและเสียงตัวเองว่าฉันกำลังเสียเวลาไปเปล่าๆแต่มันคือปณิธานอันแรงกล้า ย้ำเตือนซ้ำๆในปณิธานของตัวเองเมื่อคานิคีได้บ่มเพาะไอเดียในจิตใจของผมมันได้เกลี้ยกล่อมเยียวยากระตุน้นให้มีชีวิตชีวาจนในที่สุดไอเดียก็ยิ่งใหญ่ขึ้นภายใต้พลังอํานาจนั้นมันได้เกลี้ยกล่อมเยียวยาและผลักดันผมต่อไปอีกครั้นแรกคุณต้องทุ่มเทชีวิตและกาลังทั้งหมดที่มีให้ไอเดียของคุณ แล้วมันก็จะแสดงพลังออกมาและทำลายอุปสรรคที่ขวางหน้าไปจนสิน้นไอเดียเป็นพลังที่จับต้องไม่ได้แต่ทรงพลังมากกว่าสมองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมันเสอีกไอเดียจะมีพลังเป็นอมตะนิรันดร์การแม้ว่าสมองซึ่งสวรรค์สร้างมันจะสูญสลายไปแล้วจงแสดงออกด้วยการกระทาก่อนที่จะประกาศให้โลกรู้ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้